นี่สำหรับาคนที่ที่ทำไปแล้วรู้สึกอึ่งไม่ไม่เห็นชัดเจนมันฟุ้งเกินไปหรือมันง่วงเกินไปแกไม่จบเนี้ยเราให้ออกมาก่อนเป้าหมายเพื่อให้สามารถดูรายละเอียดที่ลึกลงไปนะพราว่าเลวลาเรามาปฏิบัติ่างนี้ผู้ใหม่ต้องการให้ดูในส่วนที่ยาบๆคือรู้สึกหนักเบา ทางกายความไม่สบายความสบายสบายทางกายนปรับใหมันสมดุลนี่สำหรับคนคนใหม่นะที่ยังไม่เคยเก็บอะไรก็ปรับในส่วกายก่อนเพราะว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับจิตใจผู้เรามันเกิดไปจากความไม่สมดุลทางกายเช่นเราหนาวเกินไปไปเนี่ย หนาวเกินไปก็รู้สึกสั่นสะท้านความกลัวก็เกิดขึ้นมันก็เป็นอาการของจิต ด, ด้วยเป็นหนึ่งบระจายกาศความร้อนทางกายบางวันเกิดอากาศอับอ้าวู้สึกกายไม่สบายจิตของเราก็โวยโกรธขวายแสบ <c oughs> ายก็หนึ่งไปจากอากาศที่ไม่พอดีทางกับกายเหมือนกั น, กน ดังนั้นผู้ปฏิบัติใหม่ต้องต้องปรับความรู้สึกเหล่านี้ให้เป็นหมายความว่าไม่ให้มันเกินนะไม่ให้มันเกินร้อนก็ไม่ใมันเกินไปปรับให้ต่ำลงหนาวก็ม่ใมันเกินไปปรับเอาโดยการปรับที่สภาพเวดล้อมเพื่อนรู้หงนะที่อาศัยพวกนี้ก็จะปรับรู้หงได้ระดับหนึ่งเท่าที่ทนได้ แต่ถ้าหากว่าปรับมากคนใดมัก็จะสบายเช่นไปอยู่ในห้องแอร์ถ้าเปดพัดลมมากๆก็สบายแต่ว่ามันเกินหรือร้อนเกินไปบางคนก็ยังทนสู้อยู่กับอากาศร้อนแต่ว่าเราก็รู้สึกอิดอัดแล้วก็ประสัทประสายก็ทนได้แต่ว่าความรู้สึกทางกายที่ถูกบีบพันดยอากาศที่จัดเนี่ยมันบีบพันจิตด้วย ตรงนั้นเป็นสาเหตุให้เกิดตัวที่สองที่เราไปจัดการคือความเพลิและความเพลือความพอใจไม่พอใจก็ตางมาเวลาปฏิบัติในระดับนี้ก็พยายามเข้าไปแก้ไขปรับความเพลอความเลิอ อ, อกไปด้วยการปรับกายไปคุคล้องกันแล้วระดับที่สามความเพลิและความเพลินก่อให้เกิด ค, ความ ควาคิดความเพลิดเกิด ค, ความคิดปรุงแต่แสสงแซ่ใสฟุ้งซ่านความเพลิดเพลินไม่ถึงความโมงเอาควก็ขี้เกียจความาดีสบายมันไม่อยากทําความเพลินก็จะเป็นลักษณะออกมาในรูปแบบนั้นซึ่งในการเก็บอรมณ์ ก, ก็จะดูทั้งสองส่วนนั่นว่าความไม่สบายทางกายทําให้เกิดเหตุไม่สบายทาง อารมณ์ได้ยังไงแล้วความไม่สบายความสบายทงางกายก่อนจะเกิดความสบายทงางอารมณ์ได้ยังไง mm hmm. ผู้ที่เขาเกี่อารมณ์รู้ระดับนี้และละตอนแรกจะปรับที่ที่กายให้ชัดก่อน mm hmm. แต่พอมันหรือผลอกมาเป็นยังไงแต่ถ้าหากกระทาความเถอดไม่ถ али ่กลับมาดูทางกายใหม่ กลับไปกับมาให้เห็นความเชื่อมต่อนะความสัมพันธ์ระหว่างรูปกับนามกายทับใจนในส่วนที่เป็นกายถ้าเราจัดการไ ม, ม่ถึงมีผลต่อจิตต่ออารมณ์ได้อย่างไรถ้าเราเห็นความสัมพันธ์เหตุปัจจัยที่ขอให้เกิดซึ่งกันและกันอย่างนี้ยถ้าเราตามทันมันก็แก้ที่เหตุเราไม่ได้ไปแก้ที่ผล เหตุที่มันคือต่อความสมดุลไม่ไม่ดีผลก็เกิดเป็นอย่างนี้ให้เข้าใจมั้นะเราก็จะไม่สงสัยว่าทำไมก็เป็นอย่างนี้ทไมฉันเป็นอย่างนี้ที่ถ้าหาว่าเหตุที่เกิดที่เวทนาความรู้สึกยินดีพอใจด้วยความไม่ยินดีไม่พอใจก็เป็นต้นเหตุของที่เกิดให้เกิดความ เผลอและความเพลินเราก็อาการเขาเวทนาเกิดความเพินพอใจและมือพอใจที่นี้ความตุงพอใจมากก็จะก่อให้เกิดความเพลินความไม่เพลิพอใจที่มากกว่าปกติก็ก่อให้เกิดถ้าสมมุติเราจับเ่วยทางกายเป็นแล้วนะก็ไปเจเ็บป่วยทางวนากระทำจิตอาการเวทนายินดีไม่ยินดีทางเวทนาเพราะราการทางจิตก็จะเป็นเผลิคเพลิน พอเพลเินไปเอ๊ะเม่ี้เราหลงยินดีในอารุณ์ไหนหลงไม่ชอบในอรมณไหนกลับไปตั้งตัวต้ใหม่แกงนี้อันนี้คือผู้ที่เข้าเก็บหลวงเนี่ยระดับนี้ก่อนแต่ถ้าหากว่าประดับเนี่ยวไปแล้วต้องกลับมาตั้งต้นที่ใหม่ตั้งต้นที่ความสบายมือสบายก็เกิดยินดีเมื่อยิดีดอะไรก็สลับไปสลับมาตรงนี้ส ให้รู้เหตุปัจจัยของกันและกันว่าตัวนี้ก่นอนที่เกิดการนี้อย่างไรคือเก็บการเก็บรงเป็นการศึกษาการทําวิจัยแต่ถ้าเรียกกระสัยหนึ่งการเข้าแล่งการานรมทานนั่นเองในฐานะเรามีประสบการณ์การเข้าแหล่งทวิปัสสนาในการเข้าไปเฝ้ารู้ศึกษาซึ่งตรงนี้ยเราก็จะมีประสบการณ์ในการศึกษามากขึ้นเรื่อยๆ จากระดับประถมไปมัธยมจากประยมไปไฮสคูลเนี่ยเราก็จะเห็นความแตกต่างระดับประถมกอดูกายการพัฒนาเชื่อมต่อกันอย่างไรก็ปรับความสมบูรณ์กายเป็นระดับมัธยมก็ดูความเชื่อมต่อระดับเวทนาไปสู่จิตได้อย่างไรแล้วปรับเวทนาเป็นระดับไฮสคูลก็ดูความเชื่อมต่อระหว่างเวทนาไปสู่จิตได้อย่างไรแล้วไปสู่ระดับเจิตไปสู่อารมณ์ได้อย่างไร รา ป, ปรับจิตเป็นเราไปหาอะไรคือไปปรับอารมณ์เชื่อมต่อกับอวัตนะภาย น, นอกได้อย่างไรปรับอารมณ์เป็นระหว่างการกับโลกของอวัยวะนอมันจะเป็นระดับนี้ระดับไปน <c oughs> ทีนี้เราจะเช็คตัวเองได้อย่างไรว่าเราอยู่ในระดับไหนอันนี้คือการตรวจสอบแต่ว่าใน การศึกษาภายนอกเนี่ยพอจบประถมแล้วก็มาเปิดระดิโยนเป็นช่วงเป็นช่วงป็นช่วงไป4ปีหกปีนี้ระถมหกปีนี้ระดิโยนไฮสคูลแล้วก็อีส4ปีนีม้มาอะไรจรัดเป็นช่วงขาดอย่างเดียแต่ในระดับประมัธหรถถืออารมณ์เนี่ยถึงเรียนในศึกษาเย็นขั้นระถมบางครั้งจิตมันพร้อมสามารถไปศึกษาด้านระดิโ เราอบรมได้เลยแต่บางครั้งไปศึกษาด้านอบรมจิตมันกลับไม่พร้องกับมัตั้งต้นอีประถมใหม่เนี่มันสามารถทําได้ในเวลาเดียวกันทันทีหรมิใช่แยกส่วนกันก็จิตของเราพร้อมแต่ลักษณะไม่เหมือนกันข้ามมีความพร้อมสูงมากก็ดูระดับศึกษาระดับอารมณ์กับจิตเลยก็ดีบางครั้งศึกษาระดับอารมณกับจิตดีๆมันเกิดไม่พร้อมจิตไม่พร้อมจิตไม่เอาจิถอย กับการตั้ต้นใหม่ที่ระหว่างคอสบายนะรักายกับใจทุกขณาใหาม่เพราะฉะนั้นในในแง่ของศึกษาเราื่ปรมาจารยด้านจิตนี่ยมันสามารถที่จะไปศึกษาขั้นไหนดูที่ว่าความพร้อมของจิตแต่ละขณะไม่เหมือนกันเขนะาก็าความพร้อมในที่นี้หมายถึงตัวสัทธาตัวความเพียรเมา่อรัสัทธายอดความเพียรอยอดจิตไม่พร้อมเพราะมันตั้งต้นใหม่ หรือบางทีพักไปสักระยะสมมุติว่าความอยากไม่จะทำตรงเลยมีความขายันก็วม่มีตอนนี้ก็เลยว่าขอเวทวักขอดอกไว้ก่อนหนึ่งปีปีหน้าไปดอกไหมคุณดอกไปเลยคุณคือเรียนดอกไปแล้วเพราะว่าอาเกรดคุณไม่ดีขึ้ น, นทําให้คะแนนที่สัสมมาก่อนมันคอยดูดูไปเรื่อยคุณอยู่เกตไว้ทั้งนั้นคุณดอกไปเลย ภาพการเห็นไปจะด้เห็นอะไรก็ตามนะเห็นสุขภาพไม่ดีไปทําอะไรผิดพลาดทำร่านครอบครัวแล้วแต่ ท, ที่เหตุปัจจัยที่ยึดเป็นนามธรรมแต่ทั้งนั้นนามาทํามันก็เช่นเดียวกันนะลองเก็บอารมณ์อยู่ดี้โทรศัพท์มาทําบ้านลูกป่วยนักรีบกลับบ้านดน่วนที่ทําเก็บอารมณ์อยู่ดีเกิดตัวเองปุวยขึ้นมายนะอารมณ์ไม่ดีเกิดกระทำหันแะ่ผมไม่เหตุปัจจัย ยีเก็บอารมณ์อยู่ีนไฟดับน้ำดับโอ้นีน้ำไม่มาไฟไม่มาอยู่ต่อนก็เลิกกันนะอันนี้ก็เรียกอักเสบในระหว่างการเรเรียกว่าบุยกุศลไม่พอที่ะถมต้นมีเหตุปัจจัยมาวิมามาขั้นางอย่างนี้เป็นต้นนั้นอีกการเก็บอารมณ์เบื้องต้นทดสอบทีนี้การเก็บอารมณ์ก็มานค๊อกว่าเก็บอารมณ์คออารมณ์ขั้นนู้นเราจะต้องไม่ต้องมาถมรูปนามใหม่ไม่ใช่ ดูความพร้อมของจิตในช่วงนั้นนะว่าจิตมีความพร้อมมันก็ศึกษาปฏิบัติก็ได้เรื่อยๆโดยที่ไม่มี อ, อุปสรรคขัดขวางไม่มีมารมารบ ก, กวลลนอะไรเงี้ mm hmm. ก็ทําให้เราได้อารมณ์เรื่อยๆเชเช้าหลวงพ่อแวบะบไปหลวงพ่มกูเหมือนกำลังเก็บอารมณ์เข้มอยู่ที่ราชเบรกเนี่ยเพือสอบอารมณ์กลุ่มนั้นบางทีก่อนที่เราเข้าเก็บอารมณ์ในกลุ่มสุดท้ายวันที่ยี่หเนี่ยหลว่ออาจจะให้เขา หลายคนคุยกับพวกเราได้เราเชืที่ขาออกอามเาสลับที่คุ้มเชื่อกเนครื่อเข้มแข็งเขาสลับมาเพราะว่าโยมชุกรที่เป็นที่เลี้ยงดูแลเรื่องอารมณ์เป็นเหมือนงอที่ปอยู่ที่ราชสุຈก็ต้องบินมาที่ราชสุຈกัทั้งที่จะชิโกมาเาจุกกตั้งหลายชั่วโมงก็จะมีาก็มานี่คือความตั้งใจของสถาจริงฉะนั้นเรื่องของการศึกษาเรื่องของจิตเรื่องของปรมาภิยวนัน เรื่องขึ้นแต่ดันโนจบความปากมากซึ่งุทางคไทยบางคนยังไม่สนใจเลยนะเพราะฉะนั้นในโลกต่อไปถ้าไม่ศึกษาเรื่องนี้จะอยู่ยากมากเพราะความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมสิ่งแวดล้อมจะมีควันด้านร่างกายและาาจิตใจเราสูงเราไม่ได้ฝึกฝนเรื่องนี้เราจะต้้งรับไม่ทันแต่สําหรับคนได้ฝึกฝนเรื่องนี้นเป็นประจําก็คือจะรู้ท่าทันปนัญหาและปรับกายปรับใจเป็นถึงกับว่า จะลมระบายท่านท่นอารมณ์ในประจำวันเขาไข้สุขภาพไม่ดีก็ไปตรวจเจออะไรเข้าแต่เขาโรครายกัขึ้นใ้ช็อกแล้วแต่คนปฏิบัติวิปัสนาจะไม่เป็นอย่างนั้นก็จะรู้อ่านตัวเองออกภายในแต่ภายในของตัวเองมีอะไรอ่านตัวเองออกบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองปิดเห็นตัวเองชัดจัดอารมณ์ได้ถูกต้องได้ทางการ แต่คนไม่ดิบศานาทำไม่ได้เพราะอะไรไม่มีประสบการณ์ด้านนี้เกิดได้ขึ้นก็เรีวยกวาทำใจไม่ได้มันก็จะทำให้ชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนที่คนผูรได้ยากนะนั่นก็จึงอยากจะให้พวกเราได้ศึกษาในไหลายละเอียดแทนทีนน่คุณ ไ, ได้ขั้นเบสิคขยายขึ้นไปเรื่อยๆเพราะนั้นวิธีการกา ร, การเก็บอารมณ์เข้มจะเป็นการพิสูจน์ว่า เราพัฒนาไปถึงไหนแล้วสามารถที่สร้างความพร้อมทางด้านจิตเพื่อจะได้ศึกษาอรมณ์ขั้นละเอียดลงไปได้ยาวนานแค่ไหนไม่ใช่อัปเป็นดาวขึ้นลงรู้เดียดเดยดด๋ยวก็ได้อารมณ์เดี๋ยวก็ได้อารมณ์เดี๋ยวก็เหมือนกับคนเริ่มต้นใหม่เดี๋ยวก็เหมือนไปไกลแล้ว ม, มันไม่ได้ต้องการความสเสถียรทางอารมณ์ระดับหนึ่งสําหรับผู้ที่เคยปฏิบัติมายาวนะเพราะนั้นเอง ผู้ที่ได้เข้าใจอารมณ์รูปนามก็จะเริ่ต้นอารมณ์ประมาภะประมัภะทำรูปต้นประมัภะบนกลางและประมาภะบนสูงอารมณ์รูปนามหมายถึงว่าผู้ใหม่มีขยะมุ่งหาผู้ใหม่นะผู้ที่ใหม่จริงๆเนี่ยอารมณ์ ร, รูปนามก็หมายถึงมาดูกายกับใจพอสงบคนที่มาเคยปฏิบัติจะไม่รู้ว่ากายมันคิด วันทีกี่ครั้งคิดเรื่องอะไรเรื่องดีเท่าไรเรื่องไม่ดีเท่าไหร่หรือไม่ออกเพราะว่าเห็นการกับใจเถึงของตัวเองหมดไม่ได้ดูกายกับใจมันเป็นคนละอย่างอาศัยการกับเกิดขึ้นท่านั้นเองนั้นผู้ที่เข้ามาปฏิบัติใหม่ก็ต้องแยกอารมณยาบหยากว่าอันนี้หนาวอันนี้ร้อนอันนี้ปวดอันนี้เมื่อยปวดเมื่อยแล้วจิตรู้สึกอย่างไร ถ้หากว่าคนที่ไม่ได้ปฏิบัติไม่สบายปวดมึนจิตเขาก็จะไม่สบายเลยไม่ชอบอยู่อย่างนี้ไม่ชอบหนักเกินไปไม่ชอบเบาเกิไ ป, ไปฉันก็ยึดติดเ ก, กินสึมกัมันคนที่ไม่ได้ปฏิบัติก็อาการได้รับอาการทางกายใจก็ต้องเป็นไปตามอาการนะั้นแต่สําหรับนักปฏิบัติเบื้องต้นเริ่มศึกษาก็คือพยายามแยกระหว่างอาการทางกาย อาการของลูกและอาการของหนังหัวใจออกจากกันว่าร่างกายร้อนใจมันจะเป็นไม่จะเป็นต้องรอด้วยใจใจยังเฉยๆนี่เรื่องแยกกันร่างกายหนาวจิตก็ไม่จำเป็นจะกลัวหนาวไปด้วยก็เห็นอาการของหนาวเฉยๆจิตก็ยังนิ่งสบายได้อยู่นี่เรื่องแยกตรงนี้ก่อนให้ชัดให้ชํานาญเมือตอนแรกก็ได้อารมณ์ดีก็ทําใจได้อยู่ร้อนจัดทั้งจะทนได้สบายเลย พอวันไหนไม่ได้อารมณ์ร้อนี่ดหน่อยรู้ว่ามัวุ่นวายหมดแล้วหนาวน่ดหนอยก็กลัวจะรู้จะตายนี่อันนี้ก็เรียกว่ามันไม่คงที่จะถ้าหากว่าพอเข้าใจอารมณ์รู้หนาเรื่องคงที่หมายความว่าร้อนก็ดีหนาวก็ดีแม้กระทั่งรู้เสียงกินลดสัมผัสที่มันกระทุกในระดับที่ทําให้เกิดความไม่สบายจิตใจก็ยังนิ่งได้อยู่ ปฏิบัต wow okay ah ิอย่ที่ดีใครมาแล้วเราทำเร็วมาเสียงเอะยวๆคนที่ใหม่ยังไม่รู้เท่าทันก็จะกิดการมีลมพานพวกนี้แต่สําหรับคนที่เข้าใจปฏิบัติเขาจับรับได้แล้วก็ฟังชีเฉยได้ไม่เกิดมีลมพานอะไรพวกนี้หรือกลงวันเวลาไปรับอาหารสําหรับผููใหม่ ไปอาหารถูกปากก็เยอะหน่อยไปหารไม่ถูกปากก็ไม่ไม่เอาอะไรน้อยเพื่จะมีการเลือกสีกิ่งดตานั้นก็ยังเผลอได้อยู่แต่ผู้ที่เคยปฏิบัติมาระดับหนึ่งแล้วนี่ก็มีหน้าที่ตัดอย่างเ่าเราเลือกขึ้นมาทานให้ดีหายหิวเท่าไเองเมื่อทานก็จะต้องการความชอบไม่ชอบในสีกิ่งต่านั้นก็จะทําใจได้อีกระดับหนึ่งซึ่งเราจะเห็นพัฒนาการของอารมณ์ เรื่อยๆที่ในที่สุดในผู้ระดับปฏิบัติที่เก็บอารมณ์แล้วนี่ยังไงก็ได้ยังไงก็ได้คือต้องการเพื่อแก้ไขปัญหาถึงต้องการเพื่ออยู่ได้เท่านั้นเองไม่เต้องการเพื่อดีเ้ิศประเสริฐหูไม่ไม่เรียกร้องอย่างนั้นแต่ขณะเดียวกันก็ไปถึงคําว่าปฏิเสธไม่เอาขออะไรที่มไม่นั้อเลยหรือไม่ดื่มไม่กินไม่อดข้าวอะไรบ้างอก็ถึงขนาดนั้น แต่เราก็ไม่ไปถึงขนาดนั้นแต่ว่าอะไรที่มันพอดีพอเป็นไปได้ก็เป็นใช้ทุกอย่างก็เป็นเครื่องมือเท่านั้นไม่ได้เอาดีไม่ดีในรูปเสีงสงยงกินลถสมบัตนนานเวลาเราปฏิบัติไม่ไม่ให้ความสำคัญแ้รูปเสีงเยงกินลดไม่ว่าดีหรือไม่ดีไม่ให้ความสำคัญอยู่นั้นแต่อย่าใช้มันเป็นเี เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะศึกษาดึงกายดึงใจเท่านั้นอาหารก็กินแล้อิ่มอร่อยไม่อร่อยก็ได้ที่นอนก็ให้พอนอนได้แบบจะนุ่มหรือไม่นุ่มสบายสบายไม่ไม่ให้ความสําคัญเนทะ่นั้นแต่ถ้าเราเป็นผู้มาเรียนฝึกทุกอย่างต้องได้อย่างใจเพราะฉะนั้นความแตกต่างของผู้ปฏิบัติใหม่และผู้มาียปฏิบัติเดิมก็แตกต่างกันขึ้นว่ายึด สิ่งรูปเป็นนามยึดสิ่งที่เป็นนามก็เป็นรูปด้วยหรือบางทีรูปนามมันได้แยก ก, กันแต่พอเริ่มปฏิบัติเริ่มแยกกันน ะ, ะ, ะ, ะเหมือนกับไก่ที่หลวงพ่อยกตัวอย่างบ่อยๆในช่วงไหนที่มันไม่ฟักไก่กับไข่มันก็เป็นส่วนเดียวกันเพราะไข่แตกเปวือกไข่แตก ตัวเลกไปด้วยใช้ไม่ได้แตกกระจายไปแต่พอเรานำไปต้มเนืนุกถูๆที่สูงขึ้นเปลือไข่จะแตกแต่ขไข่ยังได้แตกไปด้วยนไะข่ก็เป็นข้อดึองดันหลกแรกเริ่มแยกกันนะนในระดับรูปนางจะเป็นระดับนั้นคือสามารถแยกเปลือไข่กับตัวไข่อกจากกันได้พอในระดับปรมัด ไข่ที่ยังไม่ได้ฟักมันก็ยังเป็นไข่อยู่ดีเพราะมัน ฟ, ฟักฟักมันเรื่องแยกอันนี้คือเปลือกอันนี้ลูกไก่ใ น, นอารมประมัยมันจะเห็นการแยกเหมือนไข่แล้เปลือกไข่แล้ลูกไก่ที่ถูกฟักจะออกมาเป็นตัวแต่ลูกนังออกยังเป็นออกมาเป็นอะไรเป็นไข่ต้มแต่ประมัดออกมาเป็นลูกไก่ลูกเล็กๆนีน่อันนี้มันก็จะแยกลักษณะของการฝั แต่ผูไม่ได้ปฏิบัติเรื่องนี้เลยไข่กับเปลือกไข่แตกไข่ก็อยู่ไม่ได้อันนี้คือความแตกต่างว่ามีการขบวนการการเปลี่ยนแปลงในช่วงในช่วงอารมณ์ประมาชนค่อนข้างใช้อารมณสูงมืนต้มไข่ความใช้ความยั้งความยความเพียร ค, ความตรอนื่งความหนักหน่วงในการปฏิบัติเพื่อที่จะเห็นความ แยกให้ชัดระหว่างความหนักความเของร่างกายกับวิสุทธิชอบไม่ชอบของร่างกายได้อย่างไรแเราก็มาเห็นแยกเบื้องต้นดี๋ยก่อน ว, ว่าเบื้องต้นว่าความรู้สึกเวลาปกติะระนาบเป็นานมันรู้สึกเปลี่ยนไปเป็นไม่สบายเวลาเปลี่ยนนบทว่าความรู้สึกให้เปลี่ยนเป็นสบายลักษณะนี้เหมือนกับไข่อยู่ในไก่ยังไม่ได้ไข่ ไขออกมาทุกเจ อ, อแยกกันมันก็จะเป็นระดับระดับมันไประหว่างไก่ยังไม่ได้ไข่ไก่ขไข่แย้ตัวมันต้่มไข่ตุ่แล้วก็จะมาทอดมันก็จะเป็นส่วนที่มัน ป, ป, ประกอบกันเรื่อยๆมเรียกวพัฒนาการของอารมณ์เช่นเดียวกันในขยะทางอารมณ์ก็เช่นเดียวกันเพราะการเกิดการดับทางอารมณ์มันมีการเกิดการตายทางอารมณ์ตลอดเวลา แต่ตัวของเรานี่มัมีการเกิดกันแตกของเซลตละดเวลาก็ายังคงมีของเสียออกมาไงทีเราเรียกว่าเสียวตกออกว่าเป็นจากของดีเนี่ยเอาเป็นของเสียหมดถ้าเกิดทำศีรษะก็เลยเป็นปขี้อนะไรขี้หันแขนขี้หูขี้ตาไฟเรื่อยๆอันนี้นของเสียปรากฏตลอดเวลาเราต้องอาบต้องขัดต้องล้างต้องขัดต้องสีอยู่วันทั้งหลายๆครั้งเพื่อสชำระของเสียนี้อ เมื่เสียมันเกิดการเกิดดับเกิดดับต้องตายตลอดเวลาเขาเรียกว่าอนิจอะไรณะเราตายอค่แต่เราไม่รู้จนกราทั่งนันสมุเฉยมรณะจะรู้ตด้แบบเบ็ขาดถกายทัดับทั้งจิตทั้ญาณนเ้นถึงจะรู้ได้ในอารมณ์ของเราเหมือนกันในระดับระดับเกิดดับของรูปที่ออกมาเสี้ยวตายที่ออกเป็นส่วนต่างต้งชำระออกแต่ในระดับนามเกิดดับทางอารมณ์ที่เรารู้สึก ตลอดเวลาเมื่อครั้งรู้สึกสบายเมืครั้งรู้สึกไม่สบาย ร, รู้สึกไม่สบายก็เสียวทางอารมณ์ตายก็ออกมาเป็นอารมณ์ทางจิตไม่ชอบนะไม่ยินดีไม่พอใจเวลาหนาวนะั่เสียวตายเยอะแต่รู้สึกเจ็บใช่ไหมอาการหนาวหรืออาการเจ็บชนิดนก็เสียวก็ตายหเหมือนกระักถูกน้ำร้อนอ่ะก็หดกนะ็ ให้ความสัมพันธ์ของความแตกดับทางอารมณ์ทางรูปเนื่อกันหมดเลยนะแต่เนื่องจากว่าถ้าเรายังไม่ได้วิปัสสนาที่เข้มแข็งเราก็จะเห็นความาสัมพันธ์ความแตกดับตรงนี้ไม่ได้เพราะระดับสติปัญญายังไม่ได้พัฒนาที่เป็นโลกุตระเป็นโลกียะอยนั้นการเก็บอารมณ์จึงเป็นช่วงที่เปลี่ยนอารมณ์ที่เป็นโลกียะให้เป็นโลกุตระ ความแตกต่างระหว่างอารมณ์ที่เป็นโลกิยะกับอธราามณ์เอต่างเป็นไงเราดูตัวนี้ให้ออกถ้าอย่างนั้นจะเปลี่ยนในส่วนที่โลกิยาเป็นโลุตระไม่ได้อารมณ์ส่วนที่เป็นโลกิยะมันจะออกไปเป็นความคิดอดิยนนคไในคิดดูทีนี้แต่พอเรามาเก็บปฏิบัติ เราเปลี่ยนความคิดให้เป็นความรู้สึกตัวในความรู้สึกตัวนั่นเองเป็นตัวที่เป็นโลกุตละคือปัจจุบันปัจจุบันคือ จ, จิตมาอยู่กับจิตไม่อยู่กับปัจจุบันนะั่นแหละเป็นอารมณ์ปัจจุบันแต่ถ้าหากว่จิตไปอยู่ในความคิดเป็นออนาคตเพราะความคิดถ้าไม่มีออนาคตมันออกว่าเป็นความคิดจะคิดอะไรไม่ได้ถ้าเราคิดขึ้นม า, ท, าทั้งที่ความคิดที่ตั้งใจไม่ตั้งใจก็ดี ออกมาจากตัวเขาเรียกว่าอดีตาลงหรืออนาคตการลุเป็นสัญญาที่เราจะมาดีนอนาคตก็มาเป็นความคิดแต่พอเรามาปฏิบัติเราพยายามตรอกย้ำความรสึตัวเพื่อให้เป็นอาุณ์ปัจจุบันความคิดก็เปลี่ยนมาเป็นตัวตัวรู้ด้วยอารมณ์เพียงแต่ถงการกาแฟมีหรือการเป็นปัจจุบันตัวคิดก็จะเปลี่ยนมาเป็นตัวรู้ตัวสัญญาก็จะเป็นตัวปัญญา เือดอัตโนมัติขอมันเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามเพราะฉะนั้นเราจะม่สร้างกระบวนการการเตือนการระดึกสึมมาสู่เพื่อจะเปลี่ยนตัวให้เป็นตัวรู้แต่ถ้าเราไม่สร้างตัวตระหนักรู้คือตัวสติที่ขึ้นมามันไม่มีอะไรจะ่ไปเปลี่ยนมันได้เลยกับ ต, ตัวสติเพราะนั้นสติที่จะเป็นตัวฐานอารมณ์ที่สาคัญที่จะเปลี่ยนอนนดีตอนาก็ให้เป็นปัจจุบั น, น แต่ถ้าหากเราเผลอเราเผลเราลืมด้วยเหตุปัจจัยต่างๆให้ได้กล่ับไปแล้วความรู้ก็เปลี่ยนไปเป็นความคิดปัจจุบันก็เปลี่ยนเป็นอดีรนอนาคตได้ทันทีน้องก็จะเปลี่ดนแปลงเปลี่ยนมาวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนตัวคิดให้เป็นอารมณ์ได้นานเท่าไหร่แต่ตัวเป็นตัวคิดให้เป็นตัวรู้เนี่ยได้นานเท่าไหร่อันนั้นคือความหนาแน่นของความรู้สึกตัวที่จะเปลี่ยนเป็นระดับสัมพัญธะ สมาธิและปัญญาต่อไปแต่ถ้าหากว่าตัวรู้ที่เปลี่ยนมาจากความคิดมาเป็นตัวรู้ไม่ น, นักไม่นานแน่นไม่ยาวของก็จะเป็นเป็นสมาธิสมยะไม่ได้อารมณ์ก็ยังรักษาจิตความรู้ก็ยังรักษาจิตไม่ได้จิตก็ยังกระโดดไปอดีตอนาคต เ, เป็นความคิดอยู่นะนั่นคืออย า, ากจะให้เข้าใจกันนี่ให้ชัดเจนเสมอ เราจะได้ไม่จะได้ไม่เสียเวลาในการปฏิบัติเราทําแบบศึกษาไม่ได้ทําเพื่อมันได้อารมณ์แต่ศึกษาเราได้เหตุขวงอารมณ์เมื่อเราศึกษาเข้าใจแล้วเนี่ยเราจะคิดตอนไหนก็ได้ไม่คิดตอนไหนก็ได้เนี่ยแต่ถ้าหากว่าเราไปเข้าใจยังไม่ศึกษาให้เข้าใจเนี่ยด้วยความอยากเราอยากจะให้มันดี แต่เหตุปัจจัยมันไม่พร้อมจะให้ดีจะดีอย่างอยากจะได้อารมณ์เมื่อเหตุปัจจัยมันไม่พร้อมจะให้ได้อารมณ์มันก็ไม่ได้แล้วพอศึกษาเรื่องเรดีแล้วแล้วเนี่ยเราอยากจะได้อารมณ์ตริไหนเราก็ทําได้เลยาเสียอารมณ์เสียตดิไหนก็ปรับให้อารมณ์ดีได้เลยเพราะเรารู้ว่ามันเสียเพราะอะไรมันดีเพราะเรารู้เหตุปัจจัยนะเพราะฉะนั้นท่าใช้คำว่าทำว่างิจัยะในช่วงที่เก็บอารเข้มเป็นการทําวิจัยทําคนไหน อย่างสติสมรยบปัญญาดูไม่พอที่จะวิจัยแล้วต้องออกมาก่อนพอนตั้งกำลังเอาเข้าไปศึกษาใหม่พรนะาบางครั้งทำไปทามามันอาร ม, ม, ม์มันหมดมันหมายความมันเกิดเบื่อขึ้นมาดื้อๆเลยนะมันผ่านาผ่านเกเรนะี่มันเกิดฟุงงซ้านหมุนวายเบื่อซ็งขึ้นมาเปลอะไรก็ไม่ได้แล้วนี่แหละ นอนอย่างเดียวคินที่เดีนอนอย่างเดียวขอนอนก็อน่บว่ไม่เอาอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวนี้หมายความันหมดแล้ววันหมดอารมณ์เพราะฉะนั้นลักษณะนีน้เราก็จะไปแช่อยู่นั้นออกมามาทําที่อย่างพอกระตุ้นให้เกิดกําลังสติสัญญาขึ้นมาใหม่ถ้าจะว่าไปก็คือหมืนอนกะบรถอะทิ้งไว้อากาศเย็นแบกบทั้งหมดรืบชาต์จวันนี้จะไปสตาร์ตสตาร์ตยังไงก็ไม่ติดละทำางังไงก็ต้อง เอาแบบประชาติใหม่ออกมาชาต์ตแตพอเปาแบบไปบติดก็ติดเรื่องใหม่ลักษณะรูปกระทำอย่างไรลักษณะมระทาก็อย่างนั้นแต่เนื่องจาก ว, ว่าเรายังไม่เกิดโอปรรัณฑิโกที่จะน้อมเรื่องภายนอกกับหาภายในแล้วเมื่อเวลาออกมาข้นอกยิงไม่เกิดโอปนัณฑิโกไม่เป็นเพราดวงตาทําไม่สว่างชัดเจนนั่นเองก็ใช้วิธีนั้นเอาเพราะนั้นการปฏิบัติอิปัสสนาจริงเป็นการใช้ เทคนิคเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์นะแต่ถ้าหากว่าเรายังศึกษาในขั้นต้นยังไม่ชำนิชางานเนี่ยเรารีบ ด, ด้วยความอยากมันก็จะไม่ไปไหนเนะีเพราะว่าการทําวิพพานการทำภาวน า, า, าจะทําด้วยความอยากไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เรื่องความอยากแต่เป็นเรื่องการแก้ไขกำลังไปจัดการความอยากรอกไปแต่ทำด้วยปัญญาไม่ทำด้วยตัณหา การศึกษานั่นเองทำให้เกิดตัวปัญญาศึกษาที่นั่งนานมันจึงหนักเวลอเปลี่ยนมันนจึงเบาเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่เราเขียนศาเรื่องภาวะธรรมดานี่แหละแต่ว่ามันจะเป็นเหตุการณ์ทั่วไปคนที่ยังไม่ได้ศึกษาหรือว่าสัญชาติญาณคนทั่วไปยังอยู่ด้วยสัญชาตญาณมากกว่าปัญญายาเพราะฉะนั้นก็จะมีความทุกข์ปัญหาอีกนันไม่จสิ้นจนกว่าผู้มาปฏิบัติถ้ายังเปลี่ยนตัวสัญชาติญาณให้เป็นปัญญายา ก็มาถึาศัยฐานของส ร, ริสมัชั์ญาติดังการพ่อคุณส ร, ริสมัชย์ญาี่เป็นเรื่องสาคัญเอาส ร, ริเข้ามาเป็นฐานก็เรื่องสติประธานการที่เราเอาสติประธานเปนที่ตั้งเพราะเอาสฎิมาเป็นฐานเนทีตั้งนคุณจะไปรู้ตระหนักรู้เรื่องทั่วไปไม่ได้แต่หนักรู้แค่สีเรื่องแต่รู้เรื่องอาการทางกายเป็ น, น, น, นอรรูชั้นยังเท่ากแขงเคตเป็นยงไง แต่หนังรู้อาการทางเวทนาทางกายเป็นอะไรเวียทางจิตเป็นอเวทนาทางกายออกมารูอย่างยอะแแข็งเค่เวทานาทางจิตออกมารูงของขอใจเใจชอบไม่ชอบก็มาดูตัวนีนนว้แต่หนัรู้เรื่องเแต่หนัรู้เรื่องจิตเพราะคณะจิตของเราคิดหรือคิดคิดเรื่องดีหรือไม่ดีมันเผอแล้วมันเพยแต่ห น, นัรู้เรื่องจิต แล้วก็ไปตระหนักรู้เรื่องของอารมณ์นครันี่อารมณ์เป็นอารมณ์ปกตินี่ขึ้นๆล ง, ง, งๆลี่ริ่งๆเฉยๆดีหรือไม่ดีเพราะฉะนั้อนอย่าเอาสติมาไปถามของภาวนาก็ต้องต้องเรากึแค่อยู่แค่สีเรื่องนี้เท่านั้นเราจะรึะอดีอนาคตอะไรเนี่ยก็ก็อยู่ในสีเรื่องนี้ สติก็จะกลายมาเป็นฐานของสมัธัญญาแล้วก็ปัญญาไปเรื่อยๆ อ, อันนั้นแหละถึงจะมาปรับตัวเปลี่ยนตัวสัญชาัญญาให้เป็นปัญญาได้โดยอาศัตสติสมัธัญญนะดัง น, นั้นเราจึงจะต้องตามรู้สติสมัธัญญาที่เป็นในการขึ้นไหวทางการไปขึ้นไว้ทางเวทานาการเคลื่นไหวทางจิตเคลื่อนไหวทางอารมณ์ รดูการเคลื่อนไหวอย่างหยาบๆทางการให้รู้ทันการเคลื่อนไหวอย่างหยาบๆทางการยมีกี่ระดับยังไม่ได้เช็เนาะมีหกระดับการเคลื่อนไหวในระดับของลมหายใจเข้าออกที่เราทําโดยเช้าลึกตื้นมีผลต่อร่างกายอะไรวันๆหนึ่งถ้าหากว่าเราปล่อยให้การเคลื่อนไหวของลมเข้าออกโดยที่ไม่ได้ สติเข e e e ้าไปร่วมสั้นบางยาวบางลึกบางตื่นบางอย่างนั้นแต่พอมีสติเข้าไปร่วมเราเริ่มหายใจลึกหายใจยาวซึ่งมีผลต่ออารมบ์สมองสติปัญญาระบบประสาทต่างๆมีผลนะการคนไววระดับที่สองระดับที่หนึ่งแลก็กรนไหวของระดับของลมหายใจระดับที่สองคืออะไร ความปฏิบัติที่เคยฝ่ายแล้ต้องจับได้แล้วใช่ไหมกเบาการเคื่อนไหวระดับที่สองของร่างกายเองโอ้สอบตกตั้งแแรกเลยไอวีซี่งยืงเดินนั่งนอนที่ในท่านั่งนี่ก็เอามาย่อยแยกทีพอยู่อยเป็นสิบกว่าท่านลยก็ต้องเป็นให้มันครบที่นั่งแช่อยู่แค่เดียวอันนี้ก็เรียกว่าเราไม่พัฒนาละ พเราไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วเป็นแช่งมีความสบายไม่อยากปรับเปลี่ยนันนี้เรียกยงยังใช้การเคลื่อนไหวทางการการเคลื่อนไหวระดับที่2คืออิริบุตีนะแล้วก็แบ่งเป็นการเคลื่อนไหวระดับที่เรียกอิริบทย่อยเพราะในเคลื่อนไหวในอิริบุตมีย่อยเยอเลยนะอิริบย่อยพับตาอาปากหาใจเดนไซเงเยยาอยากชวในการเคลื่อนไหวที่ส่วนเล็กนั้นเลย ก็ต้องตามรู้ให้ชัดสูงเยียมเรียวสูงนั่นเวลาพวกเราข้อเก็บยอารมณเนี่ยเราก็จะโน้องค์ขึ้นไหวในระดับทางกายทั้งแต่ยากก่างละเอียดยให้ได้เสียก่อนก่อนที่จะไปดูการเคื่อนไหวในเวลนาแลนีทางจิตทางอารมณ์เป็นการขึ้นไหวทางกายที่ง่ายและยากขาคืจจำไม่หมดเครื่องยังตามไม่หมดแล้วแล้วการเคขึ้นไหวภายในซิ่งละ เ, เอียดไม่มีตัวตวนให้เห็นเนี่ยจะไปตามรู้ได้อย่างไร การื่อนไระดับที่หนึ่งรวมหาใจเคลื่อวที่สอง่บ 4, ทสี่คือนั่งอนระดับที่สามที่บทย่อยระดับที่สี่การขค้นไปวทีธาตุธาตุสี่เรื่อนไหเนี่ยพราะาอะไรกรูการเคนไหวเป็นธเกี่ยัน้ของธ า, งางตุอะไรหรือว่าจะไม่ได้ธาตุสี่ไม่ได้บ้างหรื่าะไม่ได้ได้วยของธาตุลมใช่หที่เรานั่งนิ่งๆย ท, ที่ไม่ลง ไปเนยเอาศัยธาตไป่าอะไรธาดีใช่มีความเข้มแข็งตั้งมั่นมิได้ธาตุเรารู้สึกเย็นรู้สึกล้อได้เพราะธาตุไฟธาไปกับธาน้ำทำงานร่วมกัถ้าธาน้ามากเกินไปก็เย็นใช่ไหมเย็นก็ต้องปรับมนเป็นเอาธไฟเข้าไปบลามันเพใส่เสื้อนาๆไปเปิดที่เพิ่มไฟขึ้นมา วิธีอีทในตัวเราไม่พอต้องเติดีเทนอเข้าไปการขึ้นไหวของธาตไปทให้เราออุ่ตลอดถึงการอาหารย่อยได้การเคลือนหวของาน้ําให้เเย็นถ้าเย็นเกินก็ต้องทุ่มบลานธาตไปเข้าไปถ้าร้อนเกิดบลานาน้าเข้าไปเพื่อจัดสมดุลทั้งมันในการขึ้นไหวของธาตุาตสี กระบวนการนไหวของอาการ32ของกายอาการที่มีอาการ32อาการอาการของตาอาการของผมผมเล็บผมันของหนังของํอำไส้ของตับลำไส้ปอดของเลือดลมน้ำเหลืองอะไรต่างๆถึ ง, ง32ส่วนมันเคลื่อนไหวแต่เราจะไปตามรู้ที่ละส่วนไม่ได้แต่ถ้าหากออกมาเคลื่อนไหวในส่วนที่ ถูกต้องอรู้สึกเบาสบายท่านนั่นเองมารู้ึูปเบาสบายทางกายนั่นมาประการของอาการ12เป็นปัญอย่างองวด ก, การเคลื่อนไหวของกายในทางที่ไม่สบายรู้สึกไม่สบายตึงขัดหนักงูปวดขัดส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายถ้าเราเป็นโรคประจําตัวเราก็จะเก็บตรงนั้นเลยเก็บตรงนั้นรู้สึกอาการไม่ดีตรงนั้นยาการ เคลื่อนไหวของอากา ร, ส ร, รเสสองก็จะออกมาเป็นสามอาการอาการอะรบ้างอาการไซนัสสองเดียวที่มันจะออกมาเป็นเวทนาพิสามอาการคือการสบายไม่สบายแล้วก็เป็นกลางอาการไซนัสสอเป็นเวทนาสามทีนี้การเคลื่อนไหวแรกก็เป็นการเคลื่อ น, นไหวข อ, ข, ของเสีย ซึ่งไปกราบูมืวิกีแปบ๊บหนึ่งแล้วไปหนังแปบ๊บหนึ่งก็ไปปองเลยอาการหายใจเข้าเป็นอากาศดีพอหายใจออกเองลมหายใจใส่กันไม่ชอบนะเคี่ยวข้าวเป็นอาหารที่ดีมากอาหารจานเป็นพันนะพอเคี่ยวไขวามีข้าวนีดูไม่ได้เราไม่ได้นะเห็นไห เข้าไปแค่ยังไม่ทันคืนออกมาเป็นของเสียและทันทียิ่งหาทำตัวออกไปยิ่งหนักเข้าไปอีกคุณต้องไปหาที่เฉพาะห้องน้ํำซ่างอย่างนี้ที่สุดก็จะเก็บของเสียเอาไว้อย่างไม่ชิดนินเดงยวอันนี้การขึ้นไหวของเสียมีอยู่งตลอดเวลาอันนี้ไม่ใช่เรื่องเหย่ยวคายอยานี่ยเป็นเรื่องของธรรมชาตินะมีอยู่ตลอดเวลาการขึ้นไหวของเสียที่เราต้องชักกำลังวันตั้งหลายคนนเราได้ อาการของเสียเหล่านี้าาก่อนมันจะออกก็ปวดซึด่งปวดท้อปวดหนักปวดเบาใช่ไหมมันจะมีอาการอาการขับเคลื่อนของเสียออกมาเนี่ยทำให้เรารู้สึกสามถึงสามอาการทั้งหมดทั้งปวดเลยนะทั้งหกเนี่ยทั้งหกการเคลื่อนไหวเนี่ยพอมันกลั่นแล้วเป็นตัวให้นาน ม, มาเลยสามอย่างที่กล่าวมาแล้วการเคลื่อนไหวทางการมีหกระดับพอไประดับพิณานเลยสาม ระดับที่สบายที่สบายแล้วก็เป็นกลางพอไประดับการขึ้นไหวจากเรีนนาไปสุขจิตก็เป็นสายเหมอนกานรู้สึกเป็นไงพอใจไม่พอใจแล้วก็เฉยๆแต่ในระดับของฉีเนี่ยในส่วนไม่พอใจทัานแยกออกไปมากมายนะส่วนพอใจเนี่ยพอใจแยกเป็นอะไรบ้างแยกเป็นสบายกายขอใเกิดความยินดี ทิ่งให้เกิดความติดใจติใจก็ให้เกิดความไข่อยากความไข่อยากให้เกิดความความเพลินความเพลินเนื่อความไข่ยา ก, ก ค, ความไข่ายากให้เกิดความาา ค, อคามรอบคอการครอบครองผลเกิดเป็นยึดติการยึดติก็ให้เกิดการนิสัยอยากมันเริ่มพัฒนารายละเอียดไปเรื่อยๆในตัวในตัวสบายนี่นะให้ตัวที่ไม่สบายก็พัฒนาจากความอ ไม่ยินดีก็มันเป็นความไม่พอใจความพอใจพัฒนาไปเป็นตัวคุ่นใจขัดเคืองใจอึดอัดขัดเคืองขัดแยง้งลงไปจะเป็นความดื้อดึงแ ข, ข็งขึงขืนแล้วเกิดการโกรธการพยาบาทอาขาดไปเรื่อยเลยไปเรื่อยๆจากความไม่สบายเล็กๆนี่นะควากใจการนั้นเป็นมันจะขยายตัวออกไปเป แล่วความเป็นกลางเหมือนกันมันก็จะอาการที่เป็นกลางจากความรู้สึกเป็นการที่สบายๆก็ออกมาเป็นตัวหลงตัวเฉยๆจนเปขาเนี่ยนะจนเปขาวก็เกิดตัวมัวตัวหลงหลงราที่เกิดตัวสัมพันธผิสัมพันธผิดในระดับต่างๆจนไปถึงตัวไม่รู้จากความเป็นจริงที่อวิชชา มันจะพัฒนาขึ้ไปตามระดับนี่ฮจากเวทนาสามตัวนี้นผมไปวิพัฒนาเป็นอาการทางจิตและทางอารมณ์เนียมันละเอียดึบลไปเรื่อยๆดังนั้นเราจึงต้องมาศึกษาในระดับตัวให้ชัดเจนถ้ามันถ้าระดับสาุตัวชัดเจนไปในละเอียดมันซับซ้อนมากแต่ทีนี้คุณจะอุ้มไหวเลยไม่รู้มาได้ไงพวกนี้นะแต่ผู้ภาวนาจะําตับขึ้นมา เป็นอย่างนี้เพราะตัวนี้จึงเกิดตัวนี้ปฏิสวดจึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีเพราะไม่รู้จึงเกิดการคิดเพราะคิดจึงเกิดกันสำคัญผิดเพราะสำคัญผิดจึงเกิดเพราะวิชาเกิดสำคัญสำคัญก่อขุยไปเรื่อยๆนมันก็จะขยายตัวออกมาแต่ในด้านอนันในด้านในตัวที่มันเป็นนามธรรมแล้วนะส่วนหนึ่งนะลูกปธรรมเพราะมีอะไร พ่อมีการรูปผกระทบตาจึงเกิดการเห็นใช่ไหมพ่อมีการเห็นก็จึงเกิดการรู้สึกจากจะรู้สึกเกิดความชอบดูพอใจไม่พอใจไปเรื่อยๆแหละแต่การกระทบเสียงผลกระทบหูเกิดการได้ยินพอได้ยินแล้วเกิดความรู้สึกเกิดความรู้สึกเกิดชอบและไม่ชอบ ความชอบนี้นจะพัฒนาไปเป็นตัวจิตและอารมณ์ซับซ้อนไปอีกเพราะนั้นก็มีการกระทบทั้งหกทางนี้แหละมันเรื่องอองการเปลี่ยนรูปกระทบรูปขอให้เกิดอะไรจักระกระทบรูปรูปกระทบจักรูกอให้เกิดจักรูกิญญาณก็ให้เกิดจักรูปภาษาก่อนจักรูปภาษาถ้าจักรูปภาษาไม่ดีจักรูปวิญญาณก็ทํางานไม่ได้้ก็เป็นจักรูปวิญญาณ จะจับขูปวิญญาณก็มันก่อให้เกิดตัวอาญาตานเกิดการพ่ายสับเป็นขณะตานเอาอุทานไปยาวทีเนี้ยเห็นไหมเพราะนั้นมันเกิดเริ่องต้นจากลูกนี่แหละรูปต่อรูปเพราะนั้นในขณะนี้ลูกของความเย็นมากระทบกกายใช่ไเรารู้สึกเป็นยิงดีที่ไม่ดีพอใจที่ไม่พอใจอ่าเนี่ยสที่เราฝึกมันก็จะมีบทบาทมันมุดตรงนี้แหละ แต่ถ้าเราไม่ฝืนสันติสัญญามามีการกระทบรูปต่อรูปเนี่ยมันก็นแค่กายและวิญญาณแล้วก็จัด่ารไปเป็นตัวสมุทยัยวิหิตโดยทุกข์เชอาหรือไม่ชอาแล้ใช่ไหมแต่ถ้ามาภาวนาก็รูปกระทบรูปรปั๊ผ่านภาษาผ่านวิญญาเปลี่ยนวิญญาณให้เป็นญาณอ่ะตรง น, นี้สำคัญคือเญาณ ให้เหลือแต่ยาถ้าเป็นยาเหรือข้อจิตของเราเนี่ยเริ่มตกไปในระดับอารมณ์ต่างๆถ้าเป็นยาเนี่ดึงออกมาถอนออกมาเป็นตัวตัวเดียวกระทบแล้วรู้กระทบแล้วรู้กระทบแล้วรู้ไม่ใช่กระทบแล้วตามกระทบล้ต่างๆแต่คนไม่ได้ฝึกฝนเมื่อมีกระทบแล้วก็ต่างๆใช่ไหมตามทำตามพูดตามในสิ่งนั้นแต่ว่าพอกระทบแล้วรู้อาจจะไม่คิดตามอย่าพูดตามไม่เท่าตามเฉยก็ได้ นี่คือความต่างสําหรับผู้ที่ปฏิบัติกขาไม่ปฏิบัติถ้าคนไมปฏิบัติเนี่ยร้อยทั้งร้อยกระทบแล้วตามหมดเพราะอะไรเพราะมันคิดว่าการกับใจเป็นเรื่องอันเดียวกันเมื่อกระทบกายใจก็ต่างๆแต่พอมาปฏิบัติได้เอาสติมาแยกว่าเออที่เป็นรูปนี้เป็นนามไม่ใช่เรื่องเดียวนะกระทบรูปจิตไม่จําเป็นต้องไปตามก็ได้จิตก็รู้เฉยเปลี่ยนตัววิญญาณมาเป็นตัวยานคือตัวรู้ เวลาเสวนทำมาจากจักรคุรุธาปฏิญาณังขึ้นมาบ่อนเลย mm hmm. การ ก, กา ร, าระทบคุรุญาณนาหัวธาปฏิ hmm. พอคุณรู้สามารถรู้ได้ยาวขึ้นเปลี่ยนญาณมาเป็นปัญญาตัวรู้เป็นปัญญาพอคุณรู้เป็นเรื่องเป็นราอะไรเป็นอะไรแล้วคุณจัการให้ถูกมันเป็นวิชา mm hmm. ใช่ไหมมันจะลาดับไปอย่างนี้ดัง mm hmm. นั้นการกระทบจือเป็นสสวนสำคัญว่าจะเปลี่ยน เพรไม่มีการกระทบตัวมันเพราะการของอต่างๆมันไม่เกิดขึ้นถามแบบสมมุติที่เป็นรูปกรถามว่ารครัองันอยเฉยๆเนี่ยมันมีเสียงไหมไม่มีเสียงจะมีเสียงต่อเมือม่อมีการกระทบเท่านั้นใช่ไหมกระทบก็เกิดความหมายเอ่ยถึงเวลาฉันเพลงนี้ถึงเวลาฉันแล้ว ภาษาท่ากจะตอบสนองหมดรู้สึกหิวขึ้นมาตะอี้ตะกี้แล้วก็ได้ยินเสียงลำคังนะใช่ไหมเนี่ยการกระทบมันมีตอบสนองต่อปฏิกิริยาทางร่างกายทันทีดังนั้นเราก็ศึกษาเอตาตารูปกระทบตาถ้าไปดูรูปทั่วไปเปิดตาปั๊บเราเห็นตัวนู้นตัวนี้เราก็รู้สึกเฉยเฉยไม่ได้ชอบอันใดเป็นพิเศษใช่ไหมก็เผลอไปเห็น จบล้วตอนหนึ่งผมนสวยกว่เพื่อนอายชักชอบครับนะเพราะฉะนั้นการกระทบปั๊บมันก็เกิดผัสสะเวทนาชอบไม่ชอบกระทบปั๊บเวทนาแต่ถ้าหากว่ากระทบปั๊บไม่มีอะไรเป็นพิเศษถามว่ามีผัสสะไหมถ้าไม่มีมันเห็นอนะภาษสะาากระทบแล้วแต่อาการชอบไม่ชอบไม่มีแต่ชอบไม่ชอบไม่มี แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรการกระทบนั้นเป็นอะไรเป็นดูรู้หรือไม่รู้รู้แบบไหนรู้แบบวิชาหรือไวิชากากระทบล้วรู้เหมือนกันแต่รู้ไม่ไม่รู้ตามความเป็นจริงเข้อหมัเป็นอวิชาการกระทบแล้วเกิดเป็นวิชาแล้วก็รู้ว่าสวยหรือไม่สวยชอบเข้าไปชอบไม่ชอบวิชาก็ทำหน้าที่ต่อไปแต่เรารู้เหมือนกระทบว่ารู้รู้เฉยๆรู้ซื่อ รู้ในการรู้ว่ารู้ว่ามันไม่มีอะไรรู้เฉยๆลักษณะนี้ก็เป็นวิชารู้สัตวรู้เถ็นสัตว์วัยถได้ยินสัตว์วิถีตัวเนี้ยมันเกิดถึเวลาแล้วใช่ไหมตะขัง <c oughs> มันตังเองนะนี่ไม่มีใครตีนะแสด ง, งว่าเทวดาก็นะ <c oughs> หิ่งเมืองกันนะเกิดไอเสตินดี่ก็นีอยู่ครั้งหนึ่ง ก็เทียนกำลังเทียนในขนาดฉันนี่พระเวลาฉันเ็ษท่านประยกแก้วสมัยนั้นมันจะ่ใช่แก้วก็สติเี่ยแก้วพยกขวดสุงมาดังกระทบแก้วป้องมันบมดเวลาเร้่อยเลยไม่ใช่ก็ผมยกขวดพิจังหวะาว่าอะไรลงเลยสรุปเลยนอมันมีมันมีผลในการกระทบนี่นะทำให้เกิดสัญญาไหม่อหมขึ้นมาก็ทาให เราต้องระวังแต่แต่ว่าพระรหัตถ์ที่ท่านมาทำกันกระทบนะกระทบเราแต่ถ้าหากว่าผู้ที่คุณจะทำหมอนนี้ก็คือว่าจะเปถาดที่กระทบแล้วเกิดเป็นทำที่เวทนาก็เป็นพระอนาคามีถ้าการที่การกระทบเป็นพระหรหัตถ์นะ้นพ็ท่านที่เวทนาเป็นพระอนาคามีทันที่ตัณหาเป็นพระโสดาบัน เอเอปเป็นพระโสดาบันเป็นศสกิทาคมีท่านที่ประธานเปงพระโสดาบันแล้วแต่คุณจะทําก็ระดับไหนเนพราะว่ากระทก ป, ป้องเนี่ยทรานระดับไหนพฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นขั้นตอนของทั้งฝ่ายพยัและปฏิบัติเราก็จําเป็นต้องทราบขั้นสองส่วนถ้าไม่ทราบขั้นสองส่วนไปรู้เฉยๆไม่แยกเห็นว่าอะไรเป็นอะไรก็แสดงว่าอะไร ไ, ไงคุณม่ว <c oughs> คุณไม่มีวิชา มั่วไปเราก็ไอคนฟังก็ไม่รู้ว่าไปถึงไหนแล้วใช่ไหมตามไม่ถู่อ่ะมียอกัสมั่วได้เพราะนั่นจะรู้ทั้งปริยัตปฏิบัติเป็นคนขุดมั่วไม่ได้ว่าหลักฐานมันมัก็คับมันก็คับอยู่นะเพรัะนั่นเองปัญหาทั่วไปที่มันเกิดในเรื่องการที่ขังสอนต่างๆเขพวกมันรู้ไม่ชัก็มั่วมั่วไปมั่วมาถูกจับจับได้เพอจับได้ก็เป็นเรื่องอย่างที่เราเห็นกันก็แก้ไขไดงไม่จบเพรานั่นเองการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันเรา พยายามทำความเข้าใจถ้ามีอะไรไม่เข้าใจสับสนขึ้นคุณต้องมาตั้งต้นใหม่เสมอตั้งต้นที่รู้พิณาวตัวงต้มีความรู้สึกเฉยเฉยสบายๆก็ตั้งต้นเข้าไปใหม่เพราะฉะนั้นอย่ากลัวต่อการตั้งต้นพูดทั้งต้นคือเร่องขก็กลับมาตั้งตัวใหม่ได้ตั้งต้นใหม่เดินเข้าไปใหม่ถ้าเราไม่เริ่มตั้งตัวใหม่นะมันก็เรื่อเลื่อยไป มาเล่าหลายครังว่าสมัยหนึ่งผู้ที่เชียงใหมน่น่เดินทางจากโดยปุยจะลงมาผาลาดทางเส้นนี้เขาบอกมันเป็นทะลุไป น, นี่มันแค่เจ็ดเจ็ดกิโลนะถ้าคุณไปทางอ้อมจากให้โดยปุยอ้อมมาทางผู้หิงลงผาลาดยี่สิบโลนะแต่คุณรับไปนี่แค่เจ็ดโลคุยเอาเอกไปเจ็ดโลนี <laughs> ่าแล้วมีทางจากเดินเป็นทางเดินนี่มันก็ต้องอยาวหลายแยกเราไม่เคยเดินเอ๊ะว่าตรงได้สี่แยกว่าตรงนี้สมแยกเปจะไปทางไหนไง ไม่เจอใครด้วยนะแต่ชี้แจงทางนี้นเลยอาไม่รู้ไปทะลุที่ไหนอ้าวไม่ใช่ไปทางนี้ท่านต้องไปถาวรต้องไปทางนู้นเดินกลับมาอีกทั้งนี้ข้างภูเขาเป็นไปสองสาวลูกแล้วนะตายกันบมดีนะจงกระทําไปพบชาวเขาที่มันทํำทําไรในในในป่านตรงเขาจะบอกเลยเลยไปทางนั้นไปสายแยกคุณต้องไปทางซ้ายนะไปขวาไปทางนี้นสี้แยกคุณไปตรงนะอย่าไปซ้ายขวาไหนนะแล้วก็ ไปตามนั้นมาถึงมาถึงไปโอกาสได้ฉันได้ก็ดีในทิศทางทางอารมณ์เนี่ยบางทีมันไปเจอไม่ใช่สองสามแยกนะ<ม>เป็นห้าแยกเลยถ้าไม่มีครูบาอาจารย์บอกเอาไว้ก่อนมันแยกไม่ถูกนะถึงก็ต้องหลงห ล, ลงแล้วหลงอีกเพราะนั้นวิธีการมันต่างกัตั้งรุ่นใหม่อ<ม>ถ้ามีครูอาจารย์ก็ถามเอออย่างนี้ไปตรงไม่ใช่ไ ม, ม่ท่านท่านก็จะบอกนะ ดังนั้นประโยชน์ของการมีกัลยาณมิตรขวัญใจเพื่อคือตรงเนี้ยเพื่อไปถึงสารแยกสีแยกทางอารมณ์แล้วถามว่าจะนี่ใช่ไม่ใช่ถ้าเรามีไม่มีกัลยาณมิต ร, รก็หลงแล้วลงอีกหลงซ้ำๆอันนะั้นมันก็ทำให้เราเบื่อหน่ายปฏิบัติไม่ไหวแล้วนะคุณศาสนาวารมีไม่พอไปดูเลยนะอ้างว่ารามีแต่คนทิ้งเพียงแต่หากยาณมิตรผู้ไมจริงบอกให้เราก็ไปได้แลนะ่ไปเจอกระยามิตที่รู้ไปจริง น่าจะไปทางนี้นะผมคิดว่านะนนอาจารน้องอาจารยเชื่อไม่ได้เลยเนะี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นทางนี้นะผลนั้นก็ยังเรียนไม่จบเหมือนกันนะไม่ถีเหือกันนะดังนั้นาการเตรียมอารมในวันนี้เนะี่ยขอให้เราได้สมบวจตรวจสอบความพร้อมให้ดีหนึ่งอนะ่าบต้นเนี่ยไม่รู้อะส่งโทรศัพท์เป็นดทมูลัดมีส่ ง, รรนนงสคืนเนะี่ยของคุณอีกยืมมาเรียบร้อยนะทั้งไอแพดทั้โทรศัพท์ พวนี้มันจะเป็นสัญญาณพอไปถึงช่วงหนึ่งเนียมันเกิดไม่รู้ตัวเลยแล้วไปจีบรู้กันนึกได้ยไมหยุดเขาห้าม เ, เปิดเอาเปิดไป เ, ป er ไเปรียบร้อยเอาไหนๆก็ไหนๆเปิดทรทำเพื่อนไเรียบร้อยโทรไปว่าในเรื่องเลยทีเนี้ยกลับบ้านด่วนที่พ่อเข้าโรงพยาบาลจบเลยการเดี่ยวเราพวกคุณมันมันก็เรียกว่าเราไม่เราไม่ไม่ไม่เคารพกฎกติกา มันก็จะเกิดไรื่องบาดขึ้นมางทีพ่อไม่น่าจะเข้าโรงพยาบาลก็พอเข้าตรงนั้นก็นดีอันนี้กกนเราเรียกว่าเก่าในฐาที่คุณเป็น ส, สงตามริกาณเพราะนั้นก็ต้องต้ ง, ต ง, ตงเก็บเอาไวนะ้เรื่อัพย์ไม่แผดเรื่องต่างพอตัดใจอย่างนี้นะที่เอาของดีเนาะะตัดของที่เสี่ยงเขา ไ, ไม่ใช่ของดีปัจจัยเสี่ยงของได้ล่อนเนะนั้นก็วันนี้ผู้ที่เข้าชุดแรกหลังจากทานอาหารเสร็จแล้ว เราจะการปรับที่อยู่ที่นอนอะไรทนหะ้ันอย่างปูอยู่ตรงนั้นที่นอนอนีนเยก็ะปูนั้นเผืออานั่งหน่อยนั่งบนที่นอนเผลอยาวเลยทีนนะี้พับหน่อยพับตงยาวต้องเก็บต้องแพ็คให้ดีนะเพราะในห้องนั้มีอะไรใน ย, ยิ่งดนะีมันจะเป็นมีที่รูดส้นของกีเลสอฉะนั้นก็ไปปรับให้เรียบร้อยแล้วก็ถ้าหากว่า ดับไปให้แคร์ใจว่า อ, อชั่วโมงที่หนึ่งเราจะทเนีไยชั่วโมงที่หนึ่งเราจะเดินชั่วโมงที่สองจะนั่งโต้ยาวไปเอาแค่สักสิบนาทีก็ขอไดนะ้ยาวไปชั่วโมงนั่งสิบนาะทีเดินสิบนาทีหรือบางทีไม่ต้องตั้งเอาไ ว, เว้เออเดินไปรู้สึกมันไม่สบายก็นั่งนั่งอต่ตอนนี้ไม่ค่อยหนึน่งตอนนั้นให้มีสัจจะตัวเองหน่อตั้งสัจจะว่า เราจะถือด้วยสามยืนเดินนั่งซึ่งเราจะไม่นอนนะชาวนี้ก็คือว่าเปะนกาสาธุตคาให้อารมณ์การปฏิบัติเพื่อเราจะได้ไปศึกษาทำความเข้าใจตัวเองให้แทเจนทุกขั้นตอนของเศริฐัิจ ส, สี่เพื่อเราจะได้เห็นทางของอริยมรรคทางของพระอริยเจ้าเราจะได้เดินตามรอยของพระศัสดาเพื่อให้เราจะได้ สมาธิที่แท้จริงด้วยกันทุกคนท่านเท